ทรงประชุมสง์บัญญัติศิขาบุลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีจันทากาลีอันสง์กล่าวอยู่ว่าแม่เจ้าเธออย่าบวชให้คุณธิดาเลยรับคำแล้วภายหลังกลับบ่นว่าจริงหรือภิกษุณีทั้งหลายทูล ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า